เดี๋ยววันนี้แจ้งข่าวให้ทราบนิดนึงนะก็ข้างบนเราทำบัดสวดมนต์กันใช่ไหมงลางตอนนี้มีการปลูกกระเบื้องกันอยูนะ่ถ้าเราสังเกตดีๆก็จะมีเชือกนะพันตามต้นเสามีกระดาษไปแขวนเอาไว้ด้วยนะเผยเห็นเป็น นิมิตหมายเป็นสัญลักษณ์ว่าเออไม่ควรเข้าไปถ้าเป็นนักมวยเข้าไปในเชือกมันก็ถูกต้องแล้วล่ะกรรมการห้ามมวยเข้าไปในเชือกก็ถูกต้องแล้วล่ะอันนี้ช่างก็ทํางานกันอยู่ก็จะขึงเส้นเอ็นเส้นระดับ เพื่อปูกระเบื้องมากมายถ้าเราเข้าไปอันหนึ่งก็คือเป็นเตจเชือกของเขาเชือกระดับสองเกะกะไปก็ไม่ได้เฉยๆทำอะไรหรอกไปยืนดูเฉยๆไม่ต้องไปดูเพราะงานเป็นงานเหมาเขาก็ทำงานตั้งใจทำเต็มที่อยู่แล้วมันเรามีหน้าที่อะไรเราไปทำให้เขาทำของเขา ไม่ได้มีการแต่งตั้งให้ไปตรวจสอบงานไม่ได้เป็นฟฟร์ man. แมนไม่ได้เป็นคนที่จ่ายตังค์ต้องม่ค่อยดูเพื่อที่จะจ่ายตังค์ไม่ต้องนะก็อันนี้ก็บอกให้รู้นะก็มีพระเมื่อวานไปดูแม่ชีหรือว่าญาติโยมที่สนใจไม่ต้องไม่สนใจนะมาทำวัดก็หาบันไดแล้วก็ขึ้นมาบนนี้เลยปลนะ่อยก็ทำงานอย่างเต็มที่ไปนะอันนี้ก็ประกาศบอกไว้นะ ก็จะได้เป็นเรื่องของความคล่องตัวจ้างก็คล่องตัวในการทำงานงานการาบรื่นเราคล่คองตัวอยู่กุฏิสาราที่ปฏิบัติก็ขึ้นมาทำวัดสวดมนต์สวดเสร็จเราก็กลับที่ไกลที่มันเป็นทางผ่านไปก่อนอันนี้ก็เพื่อให้งานมันเสร็จนะแล้วก็ตรงตามเป้าหมายที่วางกันไว้เท่า น, นั้นเอง งานละเอียดนะงานพวกนี้บางทีปูดไม่แห้งขึ้นไปเดินเหยียบก็ยุบอย่างเงี้ยเพราะนั้นป้องกันไว้ก่อนก็บอกเตือ น, นกันว่าเห็นใครไปก็บอกบอ ก, บอ ก, กันหรือไม่ก็ดูไปเลยที่บอกก็ไม่อยเข้าใจกันก็ดูนะอนุญาตให้ช่างในช่างใหญ่ที่ควบคุมก็ดูได้ใครเข้าไปเนี่ยให้ะ เ, เพิดออกเลยมาเข้าไปกับไม้ปลาได้เลย เพื่อจะทำงานอันนี้นนนก็แจ้งให้ทราบตอนนี้ก่อนแกนี้เมื่อกี้เราทำวัดจดมนกันเมื่อเช้าเมื่อเช้ารู้สึกลับเปิดของหลวงพ่อเทียนมันมีความชัดอยู่ในคำพูดของหลวงพ่อก็คือ การที่เราเข้ากรรมฐานนะสลบให้ครั้งเย็นเละการเข้ากรรมฐานอยู่ในห้องนะเคลื่อนืมือ14เชียงววะหรือว่าเดินจงกรมอยู่เป็นที่เป็นทางที่เรียกว่าแก็บอารมณนะ์อันนั้นเป็นการฝึกการหัดสตินะการฝึกการหัดสตินะะหมายถึงว่าสติมันมีอยู่แล้วแต่ว่าความว่องไวกล้องตัวนะทันอารมณนะ์มันไม่ทัน สติดูกายเบื้องต้นเป็นการฝึกหัดการเคลื่อนการไหวหยับหยบชา้าช้าตรงนี้มันเป็นการฝึกหัดเบื้องต้ น, นของผู้ใหม่เลยแหละยังมีวัดในสายงานหลวงปู่เทีย น, นบางที่ก็ททำชา้าช้าบางที่ก็ทำไวไวบางทีเราก็เอ๊จะทำไวหรือทำช้าดี ก็เลยบอกให้มันง่ายขึ้นกาทําให้พอดีนั่นแหละของใครของเราถ้าเกลื่อนไหวพอดีแล้วรู้สึกว่ามันชัดก็ตรงนั้นแหละทำไปก่อนแต่ถ้าเป็นบัตดที่เป็นต้นแบบของหลวงปู่เทียนอีกทีนึ่งหลวงพ่อมหาปานหรือมหาสีจันท์ที่นั่นต้นตํารับจะทําช้าเลยเกลื่อนเนี่ยชา้าเจ้ากว่าปกติมาก เป็นจังหวะเป็นจังหวะเป็นจังหวะเราเทียมกันก็คือใครไปที่นั่นก็ไม่ได้ถามว่ามากี่วัน mm hmm. อยู่ได้ไหมเจ็ดปีเก็บตัวอยู่ข้างในนั่นแหละ mm hmm. ก็ไม่ได้ถามว่ามากี่วัน mm hmm. กี่เดือนก็ถามมากี่ปีเจ็ดปีอยู่ได้ไหม <Yeah. S 1> ให้โยกกรรมฐ า, านอย่างเดียวเราได้ยาเจ็ดปีฮะคิวกระเป๋าออกมาแล้ว แบกบาทแบกย่ามออกมาแล้วอะไรกันอะไรกันจริงๆิงก็มาจากตัวเลขยกวัน7เดือนเจปีนั่นแหละคนดีรู้สึกตัวจริสติฝึกกติกับการเคลื่อนไหวอย่างต่อนเนื่องพุดงค้นหานะ6ปีมันเป็นทุทกขากิริยาทยสุก็คือเกิดแ ง, ง่คิดมุมมองขึ้นมาที่เรียกว่าเทวดาบอก มาดีดพินสามสายให้ฟังนั่นแหละตึงไปก็จะขาดหย่อนไปมันก็จะดังไม่เพลอมัจิมาปฏิปทาทางสายกลางคือความพอดีกันหกปีคนปบวิชาพระศาสนากันมาออกเผยแผ่อย่างโง่นะรู้ว่าไม่รู้มากกว่าท่านก็น่าจะเจ็ดปี แต่รู้มากว่าท่านกัน่นาจะสักสองสปีเพราะท่านบอกมันก็ง่ายต่อการเดินตามรอยอยู่คนละบาทมันก็จับประเด็นได้เบื้องต้นก็คือรู้กายมีสติเลิกรู้ที่ฐานกายก่อนจึงมีสารพัดลมหายใจท้องปองยุบการเดินโจงกลมเขื่อนมือ14บสจังหวะหรือว่าสมัมผัสยะปัพระทั้งแต่ตื่นยันหลับ จะกูยียดเกลื่อนไหวอะไรก็ตามเราก็นํามาฝึกหัดตนสอนตนจ น, จำนชำนี้ชํานาญอย่างเงี้ยมันชัดเจนวันนี้เมื่อเช้าเราฟังหลวงปู่เทียนเราจะเห็นว่าเออเหตุแห่งทุกมีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันมันคืออะไรขันห้าขันคืออะไร มนุษย์มีขันหขันใช่ไหขันก็คือลักษณะของการรองรับการรองรับของรูปธรรมนามธรรมขันก็คือมันรองรับมันละเอียดทีนี้พอมีสี่ขันสมาธิขันปัญญาขันเกิดตาในขึนหมาว่าต้องเห็นขัน5ที่เป็นความบริสุทธิ์มันไม่บริสุทธิ์เพราะว่าการตีความการตีความ ของบริสุทธิ์ก็เป็นความไม่บริสุทธิ์ขึ้นมามันเป็นธรรมชาติเดิมๆของมันแต่ว่าเรามาใช้ด้วยความพอใจไม่พอใจนะเอามาเป็นความสุขมาเป็นความทุกข์แล้วก็แบกขันท่านั่นแหละพาลาหาเวปัญจขันธ์ถ้าพอเราไม่รู้จักมันอยังไงนนะหลวงพ่อเตียนเราบอกเออแห่นหนงแห่งทุกข์สมุทัยก็คือไอตัวสังขารนั่นแหละเออนำเป็นยังไงล่ะทีเนี้ สรุปมาอีกกนะ็คือตัวความคิดนะั่นแหละถ้าหลงเข้าไปมันก็ต้องปรุงแต่งถ้าคิดแล้วก็รู้มันก็จบมันก็ไม่ได้ปรุงแต่งแต่เร5้ามันไม่ได้ตัวความคิดนะีตัวความคิดขันขันเดียวกนะ็คือตัวความคิดตัวสังขารการปรุงการแต่งนั่นแะหละคือเหตุแห่งทุกข์คือตัวสมุทยัยเข้าไปในความคิดทําไมปรุงแต่งทําไมหลวงปู่เทียนก็ชัดนะจะประเด็นได้ทันทีก็คือให้มารู้ที่กายซะ มีสติดูกายการเคลื่อนการไหวแต่ละจังหวะดูก็หมายถึงว่าไม่เข้าไปในกายดูก็หมายถึงว่าลึกรู้แล้วก็ไม่ยึดเรา่ลึกรู้ก็เป็นสติปัฏฐานนั่นแหละรู้ที่ฐานก็ปัดออกปัดออกปัดออ ก, ออกรู้ละรู้ละรู้ละ ร, รู้ปล่อยรู้วางเกิดความว่างขึ้นมาเป็นปกติขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นความวัย แต่ตาตาในคมขมและไวกว่าว่องไวกว่ามก็ชัดเจนขึ้นมาเป็นช้านะอาการเกิดดำก็ช้าลงเพราะว่าตาสติมันคมขึ้นมันว่องไวขึ้นวไวนไวพิปฏิพานของเขาตรงนี้แหละที่เราฝึกรู้ของหยาบนะการเกินืนการไหวเดินจงกรมในของหยาบดุลก้อนเนะี่ยรูปธรรมนะีหยาบนะพอมารู้ไปรูปที่ตัวเองเนะี่ยตัวกายดุนก้อนเนะี่ยท่สนะี่เมื่อจะรู้รูปภายนอกเลนะมากระทบทางต า, ง า, งางเป็นรูปทางหูเป็นรูปนะ เมือลิ้นก็เป็นรูปเหมือนกันรสชาติกระทบเนี่ยเป็นรูปเหมือนกันเราก็จึงเหมือนกับมีพัฒนาการขึ้นมาเกิดความเบากายเบาใจมากขึ้นแต่มันไม่ติดความเบาเพราะมันเริ่มรู้แต่ละขณะแต่ละขณะแต่เรื่องแต่เรื่องก็เบาออกเบาออกก็แล้วพอมันรู้แล้วไมียึดรู้แล้วไม่แบกมันรู้แล้วมันปล่อยแล้วมันวางมันก็เบา มันก็เบาตามที่รู้ทันความคิดมากเท่าไหร่มันก็เบามากเท่านั้นหลวงปู่เทียนบอกว่าคิดร0อยครั้งก็รู้ซะส10ครั้งก่อนที่แรกหาครั้ง10ครั้งก็ดีแล้วปกติมเคยหลงเต็มร้อยไงมันก็รู้5ครั้งสิครั้งคิดปับรู้ปุ๊บบางทีมันก็ไม่รู้เหมือนกันล่ะเพราะความคิดมันละเอียดกว่ามันคมกว่ามันว่องไวกว่าสติมันยากกว่ามันช้ากว่ามันก็ตามไม่ทัน ก็แล้วก็แล้วไปก็ไม่เป็นไรเราก็เริ่มใหม่ต่อไปเปรียบเหมือนอย่างนี้ได้ไหมเหมือนกับว่าอารมณ์ที่มากระทบเนี่ยเหมือนกับคนขับปาก้อนหินใจเราแหละบาลแรกแรกบงทีก็รับได้บ้างบางทีก็รับไม่ได้โดนตัวโดนเนื้อเข้าไปเจ็บปวดแต่พอหลายๆวันเข้าเออขับปาเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าเรารับได้หลายเม็ดมากขึ้นโยนมาโยนมาหรือลูกปิงปองก็ต่ายมาโยนใส่มาปาใส่มา ลูกบอลก็ไดนะ้รับได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็ตามเวลาที่เราฝึกเราหัดความคิดก็เป็นอย่างนั้นแหละเรารู้ที่ฐานกายอยู่รู้สึกตัวอยู่รู้สึกตัวอยู่คิดปั๊บรู้ปุ๊บบางทีก็รู้บางทีก็หลงไปก็ไม่เป็นไรไอท้ไอที่รู้แล้วก็ดีแล้วอย่างนี้ที่สัมผัสกระทบมาแล้วก็รับได้เออก็ดีแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อเริ่มเห็นพฤติกรรมของจิต บางจิตก็คิดขึ้นมาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นไม่ได้ตั้งใจมันก็จะมีจิตอีกตัวนึงสอนเป็นลนักษณะของจิตดูจิต <c oughs> จิตดูจิตบางทีก็คิดขึ้นมาไม่ดีอีกตัวก็สอนทันทีนะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้น่านจะเป็นอย่างนน้นวันนี้ก็สังเกตมีพระอยู่รูปหนึ่งก็ไปส่งอารมณ์ที่กุศลนะก็พูดถึงว่าเออผมตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไง มาเดินไปน ง, งานที่มันไม่เคยคิดออกก่อนบวนใได้ทำงานมันเป็นปัญหาการลากระซังพอมาเดินมันคิดเฉยเลยผมก็เลยไปหยิบปากกามาจดเพราะว่ามคิดดีจริงๆมันแก้ปัญหาผมไม่เคยคิดอย่างนี้มาก่อนเลยอยู่ๆคิดออกมาเราก็รู้ทันทีอา้าวจิตกำลังสอนจิตแล้วเนี่ยคิดไม่ดีไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นมา ไอคิดดีแก้ปัญหาออกดันบอกมาแต่ว่ามันคือความคิดคือความคิดมันเป็นความคิดทั้งคู่ถ้าเป็นภาษาหลวงพุเทเดียนเขจะบอกว่าเอาขี้เป็ดไปล้างขี้ไก่เป็นความคิดเหตุผลทั้งคู่แล้วจดเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยมันก็ไม่จริงอยู่ดีเดี๋ยวก็ดูเวลาผ่านไปเดี๋ยวมันก็มีความคิดตัวใหม่ที่ดีเก่าเกิดขึ้นมาจนได้แล้ ว, แ ล, วแล้วท้ายสุดเราก็ไม่ได้เอาไปทํา เป็นรูปธรรมขึ้นมาเป็นเพียงแค่การจำการจดนะการคิดนะมันหลอกเราแล้วอย่างเงี้ยจิต ด, ดูจิตนะแต่ที่ไหนได้มันเป็นความคิดสนะอนความคิดนั่นแหละนะต้องให้มีสติดูจิตนะอย่างเงี้ยมันเป็นไงสติดูจิตเอาข้อคิดดีก็ไม่เอาคิดไม่ดีก็ไม่เอากลับมานะถ้ามีสติจริงๆเราจะเห็นร่องรอยตรงนั้นบิมตุดเกิดขึ้นมาทันทนะีไม่เข้าไปในพบภูมิไม่เข้าในการปรุงการแต่ง ไม่หลงไม่เผลอที่ว่าไม่หลงไม่เผลอว่ามีหลักขมันอยู่กับฐานที่ฐานกายกลับมารู้สึกตัวทันทีแต่ถ้าไม่รู้สติมันก็ไม่มีพลังเมื่อไม่มีพลังมันก็จะเข้าไปในความคิดการปรุงการแต่งแล้วก็เป็นอารมณ์พอมเกิดอารมณ์ขึ้นมาการนี้ก็ไปไกลภาษาธรรมะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทมันเดินทางก็มันจนทั้งท้ายสุดจากการที่หลงนิดเดียวท่้นนะอวิชชาเกิดขึ้นมาท้ายสุดนั่นเอง พบชาติจาาลามรณโศกะปริเทวทัตุขุปายาสะครนะับแค้นใจเกิดขึ้นมาวิบากเกิดขึ้นมาลำบากทันทีนะลืมเนื้อรวมตัวเป็นอย่างนี้แหลนะเป็นการเข้ากรรมฐานนะทีแรกนะให้สติดูกายจนชัดเจนให้ได้ก่อนนะจนรู้สึกว่ามันรู้ไปวางไปในการเคลื่อนการไหวนะไอ้ตัววางตัวเดิมพอมันเห็นความคิดเนะี่ยมันมันรู้สึก ในขณะที่คิดแต่ละขณะนะีมันกลับมานนะก็เป็นสติดูจิตอย่างเงี้ยนะสติมีกําลังมันก็ดูะระดับทันทีถ้าสติไม่มีกําลังนะมันก็จะเข้าไปในความคิดอย่างเงี้ยนะบางทีคิดดนะีมันก็เกิดขึ้นมาบางทีคิดไม่ดีมันก็เกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นอาการของจิตเราก็ไม่ให้ค่าไม่ใส่ใจนะก็กลับมาใส่ใจกับฐานกาย ออกจากความคิดให้มากเท่าที่จะมากได้ปัจจุบันนี้เราไม่ต้องการมาใช้ความคิดทุกชนิดนะคิดเป็นประโยชน์คิดเป็นบุญคิดเป็นนะความสุขความดีความงามเราไม่คิดเราเหนือวันนั้นอีกให้มีสติรู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้ระเกิดความเป็นปกติขึ้นมาเราก็สัมผัสเออไอตัวเฉยๆธรรมดาธรรมดาซื่อๆไม่เอาอะไรตัวนี้มันก็จะมีอยู่ สนุกเลเวลาเราปฏิบัติเนี่ยมาเริ่มลําดับลํานำเดี๋ยว่าที่เวลาครูบาอาจารย์ท่านพูดบอกสภาวะเนี่ยแต่เราปฏิบัติไปแล้วก็ฟังไปนี่ยมันจะมีสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นมาคือมารับรองใ้สิ่งที่ทําทันทีแต่ครูบาอาจารย์ท่านรู้จริงนะเราบอกตรงๆพูดตรงๆไม่ได้อ้อมนะมันทํามาแล้วมันได้ผลทันทีเราจับหลักได้นะใหม่ๆไม่ได้จับหลักได้มันเข้ากระแสก่อนใหม่ๆมันเข้ากระแสหมายถึงอะไร ก็หมายถึงวาลาปฏิบัติแล้วมันรู้รูปนามนั่นแหละเรียกว่าเข้ากระแสเข้าอยู่ในกระแสของความพ้นทุกข์เป็นเส้นเป็นทางของมันการรู้โดยทีนะ่ไม่ยึดรูปยึดนามการรู้ที่ออกมาจากรูปจากนามแต่มันรู้รูป ร, รู้นามไม่ได้รู้เข้าไปในรูปธรรมในนมามธรรมถ้าเข้าไปในรูปธรรมในนมามธรรมมันเป็นยังไงที่เข้าไปในรูปธรรมนามธรรมแล้วก็ไม่ทุกข์ด้วยนะตรงนั้นคืออารมณ์สมถะ ก็ไปในรูปธรรมนามธรรมแต่ไปถูกจุด้านะเป็นฌานไปเลยเช่นนะการเข้าไปอยู่ในการกระทบสัมผัสเคลื่อนไหวแต่ลักษณะ น, นี่แหละนะมันเป็นสมาธิกำหนดรู้อยู่ปัญญาไม่เกิดนะนั่งทีไรดูลมหายใจสงบทุกทีนะมันสงบรู้สึกว่าสบายมีความสุขแต่ว่าอารมณ์สามารถเกิดได้แล้วก็รุนแรงนะ สามารถที่จะเหมือนกับทุกได้ตลอดเว ล, เวลาเวลาที่โดนอารมณ์มกระทบเกิดความไม่พอใจเกิดความพอใจขึ้นมาทันทีทันใดอันนั้นคืออารมณ์สมถะก็คือเวลาปฏิบัติก็จะเหมือนกับว่าเออมันได้ได้ทำแม่ได้รู้ธรแม่แต่ว่าถ้าออกจากอารมณ์ปับ๊บไม่ได้กำหนดปับ๊บมันก็ฟุ้งซ่านทันทีเผือหลงได้ง่ายลืมเนื้อลืมตัวแต่พอเป็นวิปัสสนาปั๊บก็คือ มันรับรูนะ้ความรู้สึกตัวไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนการไหวนะมันไม่รู้เข้าไปในความรู้สึกตัวก็คือมีสติระลึกรู้ความรู้สึกตัวขณะพริกมือก็มีสติระลึกรู้กับการเคลื่อนไหวขณะหยุดก็มีสติ ร, ลรนะราราลึกรู้กับการนิ่งมันระลึกรู้กับการนิ่งก็ลระจุดกันนนะก็คือสิ่งที่ถูกรู้ กับตัวรู้มีสองตัวนั่นแหละเพราะนั้นเวลาปฏิบัติจะมีสองตัวนะก็คือตัวรู้กับรู้ตัวอย่างนี้ตัวรู้ก็คือตัวสติมันมีสติมันก็รู้ตัวที่ตัวไหนก็ตัวที่เราเจตนาเคลื่อนเจตนาไว้เจตนากําหนดนั่นแหะก็จะรู้ทันทีจิตอยู่ตรงไหนก็รู้สึกตรงนั้นนั่นแหละที่ตัวเรารู้ที่ก้นจิตก็มาอยู่ที่ก้นนั่นแหละด้วยรู้ตัวทั่วยิบยิบยับยับไป รู้ทั่วสัตพ์พค์กายจิตก็อยู่ทั่วสัตว์พังกายนั่นแหละนะมันเกิดดับถี่ยิบแต่มันเป็นความว่องไวของจิตสติปัฏฐานสติปัฏฐานอาจจะเรียกวิญญาณของปัญญาก็ไดนะ้แต่รู้เกิดดับเกิดดับเกิดดับทียิบมันก็เลยเหมือนกับว่ารู้ทั้งตัวแต่ที่ในแด้มันรู้ก็ลักษณะแต่มันรู้ด้วยความว่องไวมันก็รู้ถูกฐานด้มันรู้แล้วก็ไม่จมเข้าไปในฐานกายอย่างเงี้ยนี่แหละปัญญาก็จะค่อยรู้ของใหญ่แล้วก็มารู้ของเล็กคือจิต ทุกครั้งที่คิดเนี่ยคิดอะไรก็ตามเถอะมันจะรู้แล้วมันไม่ใช่จุดที่ดูกายอยู่มันไม่จุดที่รู้สึกที่กายอยู่มันแยกเนี่ยตัวรู้รูปกับตัวหนึ่งตัวรู้นามกับตัวแต่ตัวรู้ตัวเดิมแต่ว่าทำงานคนละคณะกันอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่เนเราก็สัมผัสได้นีมันสัมผัสได้และท้ายสวนเป็นความคล่องตัวทั้งวันน่แหละ มันไม่ใช่หมายถึงว่ากรรมฐานจะอยู่ในห้องกรรมฐานอย่างเดียวนะออกมาทำงานทำการมันก็ใช่ควานะทำเป็นนะเป็นสติอัตโนมัตินะเป็นสติที่เกิดความเป็นเองอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นคนละเรื่องกันนะในขณะที่มันเกิดขึ้นแล้วนะเราสัมผัสได้แล้วนะมันใช้เป็นแล้วว่าฝึกใช้กับการเคลื่อนการไหวในรูปแบบมานานอย่างเงีนะ้ยถ้าเป็นวัดที่อ้างถึงแนะปีอย่างเงี้ย ก็ต้องรู้อะไรบ้างแหละนะกายใจนะขันห้าเป็นยังไงอย่างเงี้ยเม่ต้องได้สัมผัสเต็มๆนะเพราะวันทั้งวันก็กลับมาดูตัวเองกลับมาดูตัวเองนะไม่ได้กลับไปดูนะภายนอกเหมือนกับตอนที่เราไม่ได้เข้ากรรมาฐานนะมันมีแต่ออกไปออกไปออกไปตอนนี้ก็เรียกกลับเข้ามากลับเข้ามากลับเข้ามานะฝันเอ้ขวันเอ๋ยกลับมาหาเนื้อหาตัวเนะี่ยก็เรียกเรียกขวัญก็ว่าได้นะขวัญก็คือตัวสตินี่แหละ เวลาขวัญเสียตนกตกใจอย่างเงี้ยนะจนกทังมันกลับเข้ามาหาตัวปัจจุบันไม่เป็นกลับมาหาตัวกายตัวใจไม่เป็นบางทีมันมตกใจ đây. จิตมันออกไปก็ออกไปเลยอย่างเงี้ยลถว่าเหมี่ยตื่นตนกตกใจบางทนะีเกิดอะไรที่มันไม่ทันตั้งรับนะมีเสียงรุนแรงเกิดขึ้นมาวานมโนภาพจนก้ะทั้ง ล็อกเข้าไปในนั้นนะจิตนะจิตมันล็อกได้ไทยสุขติดอารมณ์อารมณ์ค้างนะมันเป็ น, นกลไกที่เวลาใครก็ตามนะเก้าอยู่ในความฝันอยู่ในนิมิตมีสมาธิมากๆจิตมันหลอนได้มันหลอกเหมือนกับพวกติดยาเสพติดเงี้ยระบบสมองระบบประสาทระบบจิตมันเสียสมดุลไปเงี้ยไทยสุดก็คือนะมันก็เห็นภาพหลอนต่างๆนานาเขาจะฆ่าผมเขาจะฆ่าผม บางทีก็ทําอย่างนั้นก็ทําอย่างนี้ก็ทําอย่างโน้นนักปฏิบัติก็เป็นได้นะเพราะจิตเราสะอาดอยู่บางทีเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวจิตสะอาดพอไปรับรู้เรื่องราวอารมณ์ติดหนึบเลยนะพอมันติดเนบในอารมณ์นั้นๆเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ว่าบางทีเนี่ยมันมันเหมือนกับจริงมากเลยอ่ะนะมันเป็นนิมิตรเหมือนจริงมากเลยพอกลับมารู้เนื้อรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวนะนั่งเดินยืนนอน มันเปลี่ยนได้บางทีไม่ต้องกินยาโรคจิตโรคประสาทรักษาตามวิธีการวิถีทางแพทย์ทางตะวันตกนะไม่ต้องบางทีใช้วิถีทางของพระเจ้าทางตะวันออกนีมันแก้ได้เลยนะมันแก้ได้ทันทีทีนี้พอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยแต่ลักษณะลักษณะลักษณะอะไรก็ตามมันจะกลายเป็นเรื่องของการกระทบสัมผัสธรรมิสตินะ หมายถึงเขาฝึกฐานกายอย่างทางสติมันเด่นแล้วภาวะผู้ดูมนมีนะเสียงเอ่ยนะการกระทบทางรูปเอ่ยนะมันไม่เข้ามาข้างในมันกระทบหล่นกระทบหลนกระทบหล่นไปหมดนั่นแหละนะมันไม่มีค่าอะไรเลยตัวนี้เรียกว่าจิตมันมีความตั้งมั่นขึ้นมาสติสมาธิที่มันทําถึงนะมันมีความตั้งมั่นและปัญญามันก็รู้ด้วยว่าการส่งจิตนไปรับรู้นะ ของอารมณ์ภายนอกนะมันทีเรื่องไม่ใช่เรื่องของเราอะแต่ถ้าเราไม่มีสติมันกลายเหมือนเรื่องของเรากลายเป็นกอดแทนเขาทุกแทนเขาก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นอันนี้ก็เป็นลนักษณะของการลืมเนื้อลืมตัวแต่พอเรามีสติปับ๊บมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวชีวิตนะเรื่องของเรานะเรื่องของสติของปัญญาเรื่องความรู้สึกตัวทีนะ่มันจะมีอารมณ์อะไรกระ ท, ทบก็ตามตามันเปลี่ยนเป็นเพียงแค่รูปธรรมนามธรร เป็นเพียงแค่รูปธรรมนามธรรมมันไม่ใช่จิตของเราที่จะต้องคอยไปเหมือนกับว่ารับผิดชอบนะเป็นเรื่องของกรรมของอิบารนะ์เป็นเรื่องของภพชาติจรามรณะต่างๆนะมันไม่เหรอกมันเป็นจิตที่ปลดปล่อยเป็นอิสระภาพนะเป็นเสรีนะถ้ามีสีเละก็คือเศนนะนะั่นเองมันเกิดเสรีขึ้นมาเสรีภาพเกิดจากจิตที่มีเศนนะสีเละสีเลสุขติงยันติสีเลนะพุทธสมปทา สีเลนิพระติงยันตินีศีลนําสุกมาให้นะถ้ามีศีลศีลนําำปกย์มาให้ถ้ามีศีลถ้ามีศีลคือปกติใจมันก็เย็นเหมือนกันนะนะเพราะในความเป็นปกติมันมีหลายๆอย่างที่เป็นคุณสมบัติที่ที่ทำให้เหมือนกับว่าเป็นจุดนะเป็นจุดหลักของชีวิตที่จะได้พึ่งนะ เพราะนั้นคำสอนในพระสัทธรรมนี่สอนให้พึ่งตัวเองนะมีกายพึ่งกายได้มีจิตมีใจก็พึ่งจิตพึ่งใจได้กายก็มีคุณงามความดีมีสุขภาพที่แข็งแรงจิตใจก็มีจิตใจที่ดีที่งามมีคุณธรรมต่างๆเกิดขึ้นมามีสติเราก็เลือกได้หยิบมาใช้ให้เหมาะนะตามกาลเทศะต่างๆพัญนะเทศะนี้ในตอนต้นยังพูดว่านะเทศกาเนี่ย ช่วงนี้สลาหอายเป็นเทศการที่เราจะต้องปรับปรุงซ่อมแซมกันนะเป็นหน้าที่ของเราทำวัดสด็นมาแล้วก็เดินผ่านๆขึ้นมานะไม่ใช่มีหน้าที่แวะสองข้างทางเสียวเวล า, านนะแล้วก็ยิงไปก่อความเดือดร้อนให้กับเขาก็เรียกว่าบาปบาปไม่ถูกกาลเทศะเข้าไป เ, เป็นบาปก็คือประพฤติ ช, ชั่วนั่นแหละไม่ต้องดูอะไรนะชั่วคือพูดไม่ถูกกาลเทศะอย่างตอนนี้อาตมาหรือผมมีหน้าที่พูดนะ ใช้สิทธิ์พูดนะท่านทั้งหลายมีหน้าที่ฟังก็ต้องทำที่พระฟังไม่ใช่หน้าที่พูดอย่างนี้พระพูดส่วนตอนนี้ก็เป็นบาปแน่นอนนะจะดูคนบาปก็ดูตอนนี้แหละถ้าใครพูดเกิดมาในเทศกาลนีนะ้พูดขึ้นมาโดยที่ไม่ทันความคิดอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าพระพุติบาปแล้วนะตอนนี้ให้รู้จักตัวบาปเอาไว้เป็นอย่างนี้แล้วตัวอย่างนี้แหละนะมันจะแบ น, แบ น, แบนกๆกลมๆไม่ทํางไปสนใจแต่เพียงกับว่าเออมันไม่ถูกกาลาเทศะ จริงหรือไม่พูดอย่างเนี้ยอะก็พิสูจน์ไม่ต้องเชื่อนะเพราะว่าคําว่าเชื่อนะบอกแล้วต้องเชื่อตัวเองนะเชื่อคนอื่นนี่ไม่จริงนะเชื่อตัวเองแต่ว่าถ้าตัวเองมีความรู้สึกตัวแล้วมักจะเห็นตรงกันนะเห็นตรงกันหลวงพ่เทียนเมื่อเช้านะอาตมาเห็นตรงและว่าหลวงพ่อเทียนพูดถึงว่าขันห้าก็คือมนุษยนะ์ขันขันเดียวก็คือสังขารความคิดที่ปรุงแต่งโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเห็นด้วยนะ เรืตัวสมุไทยก็คือตัวสังขารตัวปรุงตัวแต่งนั่นแหละคือเหตุแห่งทุกขนะ์เหตุแห่งทุกข์คือชอบปรุงแต่งกันควน่นนะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ปรุงนะสัมผัสรู้สึกเนะี่ยไม่ปรุงก็เห็นตรงนะขณะที่เคลื่อนไหวสัมผัสรู้สึกเนะนี่ยตัวเนี้ยมันไม่เคยโกหกนะแต่จิตนะมันชอบโกหกนะมันชอบคิดอะไรเป็นมายามีความสําเร็จอยู่ในะจิตคิดนะ่ยคิดแล้วสาเร็จง่ายมากเลยแต่พอลงมือทำโอ้โหอุปสรรคเยอะแยะมากมายนะ เหมือนกับอารมณ์ปฏิบัตินี่แหละนะแล้วขณะที่เห็นกา ย, ยนะก็คือสตนะิที่มันรู้สึกที่กายมันก็จะเกิดการวางกันไปก็คือสติปื้ฐานที่กาลังเป็นลักษณะของการจเจริญเติบโตและพอเติบโตมากมๆเข้าไอ้สติคือการระลกรู้ในะมันว่องไวมันจะรู้ทันความคิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนนถ้ามันแยกได้ว่าอันนั้นคือสมมุติบัญญัตนะิเวลาเข้าไปในความคิดหาเหตุหาผลนะสมมุติ แต่ถ้าดูความคิดเห็นความคิดปับ๊บดับปุ๊บนะคือปรมัดเกิดบิมติก็เกิดตรงนั้นแหละแลรอยเล็กๆนะเราสามารถเห็นได้ทุกคนนะแต่ว่าทําไงจะเห็นแล้วก็ชัดขึ้นชัดขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นจนเกิดความเป็นอัตโนมัติพอเกิดความเป็นอัตโนมัติเมื่อไหร่ไปไหนก็ไปเถอนะท้องโล่กว้างนะอย่างวันนี้มีแม่ชีอยู่คนหนึ่งก็คือไปส่งอารมณนะ์แม่ชีไปทุดงมากลับมาปกติอารมณ์อย่างหนักเลย ไปทุดงก็เลยบอกว่าสติฐานกายมันไม่พอนะก็สภาวะที่พูดก็คือรูปน้ำละล่ะมันเป็นยังไงเห็นเสียงมันก็ต้องเป็นรูปนะรู้จักละล่แต่ว่าเวลามันเกิดความคิดเกิดขึ้นมามันซ้อนๆขึ้นมาแล้วก็เป็นความคิดที่ละเอียดนะกําลังของสติประญานที่ฐานกายมันไม่พอนะและตัวสติเองกําลังก็ไม่พอตัวนี้พอเราไปดูความคิดมันก็ติดกับทันที ตัวนี้แหละทำให้อารมณ์มันค้างมันคามันคล้องมันขัดและทายสุดก็คือลืมฐานกายวิธีแก้อารมณ์ได้ดีที่สุดก็คือให้กลับมาฐานกายก่อนนะจะเกิดอะไรก็ตามนะมันแก้ไม่ได้วางไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนอย่าไปยุ่งกับมันอย่างนี้นนะเหนะมือนก็เปรียบเทียบว่าอย่างนี้ว่าเวลาเราหาเงินนะทํางานเพื่อได้เงินสตางคนะ์แต่มันไม่พอใช้นะของที่จะซื้อนะเงินมันไม่พอเราโมจะไปเวียนดูเวียนดูเวียนดูเนะี่ย ของมันก็ไม่ได้มันก็เวียนอยู่หนะ้าติดกับง า, งานก็ไม่ได้ทําสตางค์ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมีทางเดียวคือกลับไปทํางานก่อนนะกรรมฐานที่ฐานกายเนะี่ยกลับมาทันทีเลยพอเสร็จนะแล้ ว, ส, ลวสติก็จะมีพลังขึ้นมาไปมีพลังขึ้นมามีพลังขึ้นมานะพอพอฟัดพอเหวี่ยงกับสิ่งที่ถูกรูนะ้อารมณ์ที่มากระทบเนี่ยถึงตรงนั้นเขาดูเป็นนะตรงนั้นนําเป็นชั้นเชิงนะัเป็นพัฒนาการนะ เพรนั้นเกิดอะไรขึ้นมาก็ตามในฐานะที่เป็นนักปฏิบัตินะแนวเคลื่อนไหวนักกรรมฐานแนวเคลื่อนไหวการดูไกลนะจนเห็นเวลาจิตธรทำนะเห็นเต็มรอบสติฐานเต็มรอบมาแล้วก็จะทํางานของเขาเองนะตรงนั้นคือไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วเราก็จะไม่ติดอารมณ์อารมณ์ก็จะไม่ค้างด้วยเพราะทุกครั้งที่เกิดขึ้นมาเนะี่ยก็คือความเก่งและแกข่งนะของตัวสตินะที่เขาจะมีประสบการณ์ตรงนะ โดยที่ไม่ต้องให้ใครมาบอกถูกผิดเหตุผลต่างๆนะใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะตำเกี่ยวกับเร า, เาทุกไหมนะเราผ่านข้อสอบผ่านโจทย์นี้ไหมอย่างงี้นะเอออะก็พูดให้ฟังแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะเห็นว่าสมควรกี่เวลาการพร้อมกัน